บ o ๊กทูสิบสองดวานาเอสตเครื่องดื่มนาปิซีดิฉันดื่มชาค่ะยาพิเยมชายดิฉันดื่มกาแฟค่ะ ยาปีเย็มคาฟคาฮวดิฉันดื่มน้ำแรกค่ะยาปีเย็มมิเนราลนูวดูคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะปีเยชลิทีชัยสะลิมุนมคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะปยช คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะทีเอสลิตีวอดูซาเลดอมมีงานเลี้ยงที่นี่โอฟเดเย za าบบวคนกำลังดื่มแชมเปญลูดิพิชัมั คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ยคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะออคุณดื่มวิสกี้ไหมคะคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะ พิเศษลิตรีโคลูส์รูมมดิฉันไม่ชอบแชมเปญย่าเนโวลิมแชปานยัดิฉันไม่ชอบไวน์ยเนโวลิมวีนดิฉันไม่ชอบเบียย่าเนโวลิมพิ เด็กอ um um ่อนชอบดื่มนมเบบะวอลีมลีเโเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิลดิเอเตวลีคาคาโออีโซกอดยาบุกเผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต Žena voli sok od n a r a n đ e i sok od g r j p f r u t a